แนะนำบทอัลกอตบทอัลกอตเป็นบทมักกิยาสมีห้าองค์การซึ่งเริ่มกล่าวถึงการประทานคำมพียอังกุราน ล, ลงมาและได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลกอตที่มีเหนือกว่าวันอื่นๆและเดือนอื่นๆโดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่างและความกระจางแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์และกลิ่นอายแห่งความเมตตาได้แผ่คลุมไปยังกวงเบาของปรงผู้ศรัทธา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 في القدر ท الق ้จริงเราได้ประทานอันบุรา ล, ลงมาในคืน อ, อันกอดัดและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืน อ, อันกอดัดนั่นคืออะไร ل ي ل อ ا ل ق อ ر خ ي เ من นคนทดุิอ คืนอันกวัดนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนบรรดามาเลากานและอรัวะจะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกอย่างคืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่นอารุณ์